ตอนบริวารยศบริวารตรงกับภาษาบาลีว่าปริวาระทั้งโดยความหมายและโดยรูปศัพท์ตั้งแต่ว่าปอปลาลดหางลงมาเป็นตัวบ่บใบไม้เท่านั้นเองชาวบ้านมักจะเข้าใจคำว่าบริวารหมายถึงพวกคนใช้ หรือคนประเภทลูกน้องหรือคนติดตามอะไรในรูปนี้แหละอย่างเช่นเวลาผู้ใหญ่ไปไหนไหนมีคนแห่แหนติดตามไปมากๆเรียกว่าท่านผู้นั้นมีบริวารมากแต่ความเข้าใจก็มักจะเลงไปข้างต่ําคือเป็นคนประเภทเปี้ยล่างเขาเช่นใช้คําว่ามีข้าทาสบริวารมากดังนี้เป็นต้น ในทัศนธางธรรมความหมายกว้างขวางกว่านั้นคือหมายถึงคนแวดล้อมที่มีความรักใคร่นับถือหรือมีความจงรักภักดีทั่วไปซึ่งคนเรานี้อาจต่างคนต่างเป็นบริวารของกันก็ได้บริวารมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของคนเราอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ก้าวไปสู่ความสุขความเจริญซึ่งข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องพัฒนาอะไรให้มากความบางทีเรื่องมันไม่ยุ่งสงนิดถูกคนพูดมากลากไปลากมาเลยยุ่งกันใหญ่ก็มีเหมือนกันตอนบริวารในทัศนะหนโนพวกโหน ที่ผูกดวงชะตาแบบโหราศาสตร์เขาแบ่งจักรวาลออกเป็นส2องราศีเรียกว่าจักรราศีแล้วก็จัดเรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งให้เข้ากับราศีนั้นรวมเป็น12บสองเรื่องด้วยกันว่าตามภาษาโวนดังนี้ตนุกตุมภะสหัสชชพันธุปุตตะอริ ปัตตนีมรณะสุภะกัมมะลาภะวินาศนะในส2องเรื่องนี้บุคคลแวดล้อมก็ถูกจัดขึ้นเป็นเรื่องหนึ่งคือหนึ่งในส2บสองเรื่องที่จะทำให้โชคชะตาดีหรือไม่ดีในสูตรที่ว่ามาแล้วเขาเรียกบริวารว่าพันธุ ซึ่งแปลว่าพวกพ้องถ้านับอย่างแบบมหาทักษะคือย่นเรื่องทั้ง12นั้นลงให้เหลือเพียงแเรื่องนับอย่างนี้บริวารอายุเตชสีมูลักษัคุาหักมนตรีกาลกินีนับแบบนี้เรียกว่านับแบบมหาทักษะ รวมเอาคนแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวไว้ในจักราศีคือสหัชชะหรือพี่น้องพันธุหรือพวกพ้องปุตตะหรือลูกปัตตนิหรือเมียเรียกว่าบริวารซึ่งจัดไว้เป็นลำดับต้นที่สุดเป็นหัวแถวเขาเรื่องของหมอดู แม้จะเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่รับรองและกระทรวงศึกษาธิการไม่จัดเข้าในหลักสูตรวิชาในโรงเรียนแต่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทิ้งไม่ลงที่เอามาพูดไว้ตรงนี้ก็ไม่ใช่คา้านหรือสนับสนุนแต่ยกมาประกอบวิชาธรรมะเท่านั้นเพราะการศึกษาธรรมะยอมใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอุปกรณ์แห่งการศึกษาได้ทั้งนั้น แม้แต่ซากศพคนตายท่านก็ไม่ให้มองข้ามเพราะสัจธรรมยอมจะแทรกอยู่ในทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่คนทั้งหลายชอบมองข้ามนั่นเองการที่หมอดูถือว่าบริวารเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตถึงกับจัดขึ้นลำดับแรกก็ไม่เพี้ยนไปจากพระพุทธโอวาเท่าไรนัก เพราะในหลักที่จะทำให้คนก้าวไปสู่ความเจริญ38อย่างที่เรียกว่ามงคล38พระพุทธองค์ก็ทรงจัดเอาเรื่องการครบคนไว้เป็นลำดับแรกเหมือนกันมงคลข้อที่หนึ่งที่ว่าการไม่คบคนชั่วและข้อที่สองว่าให้คบคนดีก็คือทรงสอนกฎเกณฑ์ของการสร้างบริวาร น, นั่นเอง เพราะฉะนั้นเรื่องบริวารจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรจะดูเบาและการจัดบริวาร น, นั้นควรจะคำนึงถึงความสําคัญว่ามีเมียดีคนเดียวดีกว่าเพื่อนดีสิบคนเพื่อนดีสิบคนดีกว่าคนภายนอกดีร้อยคนคนภายนอกดีร้อยคนดีกว่าศัตรูดีพันคน พระราชาก็ดีพระเจ้าจะ ก, กระพัดก็ดีผู้มีอิทธิพลใหญ่ก็ดีย่อมควรที่จะพิจารณาบริวารผู้ห้อมล้อมคือเมียเพื่อนคนภายนอกและศัตรูโดยรอบคอบเพราะว่าศัตรูเกิดใจร้ายก็เปรียบด้วยเหาได้กัดลงบนหนังศีรษะ คนภายนอกมุ่งร้ายเปรียบด้วยโรคเกิดขึ้นที่ผิวหนังเพื่อนขัดใจเท่ากับตาหูมือเท้าพิการไปเมียใจร้ายเหมือนกับเนื้อที่หัวใจเป็นพิษนี่พูดปนกันทั้งคดีโลกคดีธรรมเชิญท่านผู้ฟังเอาไปคิดด้วยตนเองความอย่างนี้คนอื่นคิดให้ไม่เป็นรส เหมือนกับการกินกล้วยสุกทุกคนต้องปอกเองเพราะเรื่องของกล้วยเขาต้องประเคนทั้งเปลือกไม่มีใครปอกใส่จานไว้ให้เหมือนผลไม้ยอย่างอื่นถ้าใครขืนทำเช่นนั้นก็เกินดีรวมความว่าการมีบริวารเป็นความดีเด่นอย่างหนึ่งที่มนุษย์ต้องการและการเสื่อมจากบริวารเป็นความร่อยหรอ การเป็นคนรา้ญยยาติขัดเพื่อนเป็นความหายนะอย่างหนึ่งที่ใครๆไม่พึงปรารถนาตอนบริวารมาบริวารไปวิธีทำคนอื่นให้เป็นบริวารเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรจะสนใจ เพราะการดำเนินชีวิตย่อมมีความจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้ที่ต้องมีเพื่อนคู่จิตมิตรคู่ใจไม่มากก็น้อยการทำคนอื่นให้เป็นมิตรนั้นมีวิธีและข้อปฏิบัติอยู่หลายอย่างแต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะชักเข้ามาแทรกในเรื่องนี้เพราะจะทำให้รถของเรื่องจางไปยกเอาไว้แสดงเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากดีกว่า ในวงเล็บต่อมาได้เรียบเรียงแล้วคือพุทธวิธีกลองใจคนว่าไว้ที่นี่แต่พอเป็นแนวทางให้รู้ว่าบริวารเป็นสิ่งที่มีได้เสื่อมได้โดยเหตุผลของตนเองเช่นเดียวกับเรื่องลาบที่ว่ามาแล้วนั้นเหมือนกันการทำคนอื่นให้เป็นมิตรมีอยู่สองวิธีด้วยกันคือ วิธีทางโลกกับวิธีทางธรรมผมขอใช้คําที่ติดปากและติดใจว่าโลกวิธีกับพุทธวิธีสองวิธีนี้แตกต่างกันอยู่คือโลกวิธีใช้บังคับคนอื่นให้รักคือคิดแต่อยากให้เขารักตัวถ้าเขาไม่รักก็หาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเลยคิดหาวิธีที่จะแก้คนอื่นให้มารักตัว นี่โลกวิธีที่นี่แบบพุทธวิธีไม่ใช่อย่างนั้นกลับกันกับโลกวิธีคือหันกลับมาแก้ที่ตัวเองให้เป็นคนที่น่ารักทางโลกตั้งปัญหาว่าทำอย่างไรเขาจึงจะรักเราแต่ทางธรรมสอนให้ตั้งปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะเป็นที่น่ารักของเขามีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่ทำให้เกิดบริวารและทำให้บริวารมีความรักใคร่สนิทสนมไม่จืดจางคือน้ำใจน้ำใจที่อบอ้อมอารีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเกี่ยวกับการสร้างบริวารเหมือนอย่างว่าถ้าเราคิดจะเลี้ยงปลาเราต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็ไม่ควรเจะริะเลี้ยงปลาฉนฉด การเลี้ยงบริวารก็ฉันนั้นถ้าคิดอยากจะมีบริวารก็ต้องสร้างน้ําใจขึ้นไว้คนที่ขาดน้ําใจป่วยการคิดอยากมีบริวารน้นํามากขึ้นก็มีปลาอาศัยอยู่มากขึ้นตามส่วนข้อนี้เป็นของธรรมดาเรื่องของน้ําใจก็ให้คิดเปรียบเทียบเอาเองถ้าน้ําใจเราเยือกเย็นกว้างขวางมาก ปลาคือบริวารก็มากขึ้นตามส่วนถ้าน้ำใจลดเหลือน้อยบริวารก็ลดลงถ้าหมดน้ำใจบริวารก็สิ้นเหมือนห้วยหนองที่น้าแห้งหมดแล้วจะให้ปลามาว่าอยู่บนพื้นดินที่แยกระแหงอย่างไรสูตรในการสร้างบริวารมีอยู่เพียงย่อๆว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมี บริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งข้อนี้ควรจำ